ตอนที่31ผลสอบจมข่าออกแล้วหลี่เคอรเคอร์อไม่ได้พูดอะไรอีกอย่างใจลอยเมื่อกลับไปในคืนนั้นหลังจากทานมื้อขําเสร็จนางก็แอบคาดหวังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาทว่าความจริงกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลี่เคอเคอร์อพลิกตัวฟังเสียงลมหายใจที่หลับสนิทของโจเจียนเยียในใจรู้สึกว่างเปล่าจากนั้นนางก็ปลอบใจตัวเองว่านางแต่งงานกับโจเจียนเยียไม่ใช่เพียงเพราะโลกในเรื่องพวกนี้นางจะต้องได้เป็นคุณนายผู้บัญชาการในอนาคต ส่วนหลี่ชิงถิ่งผู้หญิงคนนั้นคงไม่คิดจริงๆรหรอกนะว่าประตูตระกูลเจิ้งจะเข้าได้ง่ายขนาดนั้นเอะแค่หลานชายทั้งสมคนของเจิ้งหยุนชงก็เพียงพอให้นางรับมือจนอ่วมแล้วในชาติก่อนเจิ้งหยุนชงก็แค่พยายามหาภรรยาให้หลานชายทั้งสามอย่างยากลําบากชีวิตความเป็นอยู่ยากจนข้นแค้นเป็นตาเท่าโสดคนหนึ่งไม่มีสง่าราศีของผู้บัญชาการเลยแม้แต่น้อยเมื่อคิดได้เช่นนี้หลีเ่เคิรเคิร์ก็เหมือนจะทําใจได้และหลับสนิทไป พรุ่งนี้ยังมีธุระต้องพาน้องชายไปดูผลสอบและเลือกโรงเรียนมัธยมปลายคืนนี้ควรจะรีบนอนแต่หัวคำ่ำวันรุ่งขึ้นหลีชิงผิงตื่นขึ้นมาตอนเก้าโมงเช้าด้วยความโมงงียหลีหวันยกน้ำผู้วิญญาณมาให้แก้วหนึ่งหลังจากดื่มเข้าไปนางถึงรู้สึกว่าร่างกายพอจะมีเรี่ยวแรงบ้างเมื่อคือนถูกเขี้ยวกรมจนถึงกลางดึกแน่นอนว่านางไม่สามารถบอกลูกสาวตรงๆได้หลีหวันสังเกตเห็นรอยแดงจางๆกระจายอยู่บนลำคอของนางความจริงไม่ต้องถามก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทั้งสองคนช่างรักใคร่กันดีเหลือเกิน กินอะไรก่อนเธอกินเสร็จแล้วข้าจะขับรถพาพวกเจ้าไปเจิ้นหยุนชงลางงานกับเขตทหารไว้ตั้งแต่เมื่อคืนหลีชิงถิงเคยบอกไว้เมื่อสองวันก่อนว่าผลสอบจะออกวันไหนเขาจําได้แม่นวันนี้ผลสอบออกใช่ไหมเจ้าชุนฮวาก็จําได้นางยิ้มพลางกล่าวว่าข้าก็จะไปด้วยท่านแม่ท่านจะไปร่วมวงทําไมกันเจิ้งหยุนชงรู้สึกจนใจเล็กน้อยแม้แต่ไปดูผลสอบนางยังจะตามไปด้วยเจ้าชุนฮวาอูทานเฮ่ออกมาแล้วมันทําไมล่ะ ผลสอบจมเข่าของหลานสาวคนโตค้าออกทั้งทีนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่าที่เป็นย่าจะไปไม่ได้เชียวหรืออีกอย่างเจ้าก็ขับรถไปเพิ่มคนไปอีกคนจะเป็นไรไปลีชิงผิงยิ้มบางๆโดยไม่พูดอะไรลีหว่านมีความมั่นใจในตัวเองมากอย่ว่าแต่สอบจมเข่าเลยต่อให้เป็นสอบเก็เขานางก็ไม่มีปัญหาส10บโมงเช้าก็ถึงโรงเรียนหลีหว่านคล้องแขนเจ้าชุนฮวาเดินนําหน้าไปได้ยินว่าผลสอบจะออกตอนสิบโมงครึ่งเวลานี้จะมีนักเรียนและผู้ปกครองมาที่โรงเรียนไม่น้อยเลย คะแนนจะถูกปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเจ้าชุนฮวากวาดตามองไปรอบๆคาดว่าน่าจะมีคนอยู่หลายร้อยคนนางไม่ใช่เพิ่งเคยมาโรงเรียนเป็นครั้งแรกเจ้าหึงตอนนี้เรียนมัธยมปลายแล้วส่วนเจ้าอย่างเรียนมัธยมต้นปีที่หนึ่งที่นี่เมื่อช่วงต้นปีนางถูกครูเรียกพบผู้ปกครองอยู่บ่อยครั้งไม่ใช่เพราะไปรังแกเพื่อนร่วมชั้นก็ไปก่อเรื่องวุ่นวายปกติผู้ชาย2คนในบ้านต่างก็ยุ่งงานที่ต้องมาโดนด่าแบบนี้จึงตกเป็นของเจ้าชุนฮวาส่วนเจ้าซิงที่อยู่ประถม3มก็ไม่บวกการถูกเเเเชิิญผู้้ปปปกกกคครรรอออองงถืื็น่่่ตียไดวาขแ มาโรงเรียนก็ไม่มีเรื่องดีเลยตอนนี้แดดแรงไปหน่อยพวกเราไปยืนพักใต้ร่มไม้ตรงนั้นก่อนดีไหมเจิ้งหยุนชงมองหาที่กำบังแดดในบริเวณใกล้เคียงไม่รู้ว่าจะต้องยืนรอที่นี่อีกนานแค่ไหนพวกนางจะได้ไม่ต้องยืนตากแดดอยู่แบบนี้หลีชิงพิงพ ย, ยักหน้าตอบว่าตกลงพวกเขาจึงเดินมุ่งหน้าไปยังร่มไม้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นคนรู้จักเลยโจเจี้ยนเย่ยสังเกตเห็นหลีชิงพิงและหลีหวานมาแต่ใกลเขาเขามวดคิ้วทันที วันนี้ผลสอบจงเข่าออกหลีชิงถิงพาลูกสาวมาทำไมคราวที่แล้วนางไม่ได้ตั้งใจจะให้เสี่ยหวานเข้าเรียนมัธยมต้นเลยหรอกหรือหลีเคิร์เคิร์สังเกตเห็นพวกหลีชิงถิงเช่นกันแววตาของนางไหววูบนางยกมือขึ้นทัดปลอยผมข้างหูพลางยิ้มเยาะหลีชิงถิงวันนี้ผลสอบจงเข่าของชั้นมัธยมสามออกพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่วันนี้ผลสอบจงเข่าออกพวกเราก็ต้องมาดูคะแนนสิหลีชิงถิงตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไง หรือว่าเสียหวานจะเข้าร่วมการสอบจมเข่าในปีนี้ด้วยคิวที่ขมวดมุ่นของโจเจี้ยนเย่ยิ่งลึกขึ้นเขาเริ่มรู้สึกโกรธเรื่องคราวก่อนที่บังเอิญเจอแล้วนางบอกจะให้หลีหวานเข้าเรียนมัธยมต้นก็ช่างเถอะแต่ตอนนี้ถึงขั้นมาสอบจมเข่าเลยหรือหลีหวานไม่เคยเรียนหนังสือเลยแม้แต่วันเดียวข้อสอบชั้นประถมหนึ่งนางยังน่าจะได้ไม่กี่คะแนนเลยกระมังถึงกับกล้ามาสอบจมเข่านี่มันหาเรื่องให้อับอายขายหน้าชัดชัดอืมหลีชิงผิงขานรับสั้นๆไม่ได้พูดอะไรเพิ่มหลีชิงผิงสมองจมหหอเจ้า ถ้าเจ้าเลี้ยงลูกไม่เป็นก็ส่งลูกมาให้ข้าเลี้ยงเสียดีกว่าโจจี้นเยาะ ก, กดเสียงต่ำน้ำเสียงของเขาแฝงไปได้วยความโกรธแค้นมาทําตัวขายหน้าอยู่ที่นี่แถมยังพาคนมาดูคะแนนตั้งมากมายเจ้าอยากให้ทุกคนรู้หรือไงว่าลูกสาวของข้าโจเจี้นเยี่ยเป็นคนโง่เง่าที่แท้เขาก็คือโจจี้นเยี่ยเจ้าชุนฮวาพิจารณาชายตรงหน้าพลางด่าในใจว่าเขาช่างเป็นคนไม่มีวาสนาจริงๆตอนนี้ยังตาถั่วเห็นกรวดทรายเป็นไข่มุกอีก แต่ก็เพราะเขาไม่มีวาสนานี่แหละชิงผิงถึงได้แต่งเข้ามาในบ้านของนางความลำบากที่สองแม่ลูกหลีต้องผเผชิญในชนบทเจ้าชุนฮาวารู้ดีทุกอย่างเมื่อก่อนโจวเจี้ยนเยี่ยไม่เคยเหลียวแลพวกนางสองแม่ลูกเลยตอนนี้กลับมาทำเป็นห่วงลูกสาวก่อนหน้านี้โมไปมุดหัวอยู่ที่ไหนเจ้าชุนฮาวาเบะปากอย่างดูแคลนที่แท้เจ้าก็ยังรู้ว่าเสียหวานเป็นลูกสาว งั้นขอถามหน่อยเถอะวันนี้เจ้าไม่พาลูกสาวตัวเองมาดูผลสอบแต่กลับพาลูกชายคนอื่นมาดูผลสอบมันหมายความว่ายังไงกันโจเจี้นเยี่ยกำมัดแน่นมันไม่เหมือนกับหลี่หวานไม่เคยเรียนหนังสือเลยแม้แต่วันเดียวจะมาสอบจงเข่าได้ยังไงทําไมจะไม่ได้ล่ะหละีหล่หวานย้อนถามกลับไปเจ้าคงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่โจเจี้นเย่ยดุด่าตามสัญชาตญาณเสียหวานข้าเป็นพ่อเจ้านะเจ้าควรจะเขารบข้าไม่ใช่มาพูดจะย้อนข้าแบบนี้ไม่เจ้าสั่งสอนมาแบบนี้หรือ ไม่เคยดูแลข้าเลยแม้แต่วันเดียวในสายตาข้าท่านไม่ใช่พ่อของข้าตั้งนานแล้วหลี่ ห, หวันกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาอีลูกไม่รักดีโจเจียนเยี่โกรธจัดจนเนื้อมือขึ้นหมายจะสั่งสอนหลีหวันเขาอดทนมาหลายครั้งแล้วลูกสาวคนนี้ช่างเหลือขอเกินไปเจ้ากล้าหรือหลีชิงพิงยังไม่ทันได้โต้ตอบเจิ้งหยุนชงก็ตะคอกขัดขึ้นมาก่อนโจเจียนเย่ยจะลองแต่ต้องลูกสาวข้าดูสักนิดสิเจ้าชุนฮาวาแค้นเสียงเหอะ พ่อเมตตาลูกตันยูอย่างน้อยความเมตตาของเจ้าก็ไม่เคยมีให้เสียหวันแล้วเจ้ามีสิทธ์อะไรมาหวังให้เด็กเขากรตันยูต่อเจ้าโจวเจียนเ ย, ย่เริ่มแรกก็เป็นเจ้าที่ทําไม่ถูกเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอจะมาตําหนิเด็กที่นี่ลีชิงผิงรีบดึงเสียหวันมาไว้ข้างหลังจ้องมองโจเจียนเย่ยอย่างระแวดระวังต่อไปลูกสาวข้าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเจ้าทั้งนั้นโจเจียนเ ย, ย่ไม่กล้าลงมือกับหลีหวันต่อหน้าเจิ้งหยุนฉงจริงๆเขาจึงลดมือลงอย่างเสียไม่ได้ รองผู้พันเจิ้งตามใจเด็กแบบท่านอีกหน่อยเด็กจะเสียคนเด็กน่าต้องรู้จักสั่งสอนข้ารู้ว่าพวกท่านเพิ่งแต่งงานกันท่านเลยยังไม่กล้าสั่งสอนหลีหว่านแล้วหลานชายที่บ้านท่านท่านก็ตามใจแบบนี้ด้วยหรือตามใจจนเสียผู้เสียคนเด็กนะั้เมื่อถึงเวลาต้องสั่งสอนก็ต้องสอนแต่ถ้าเด็กไม่ได้ทําผิดจะไปสอนอะไรเจิ้งหยุนฉงกล่าวเสียงเรียบที่เสียหว่านพูดเมื่อครู่ก็ไม่ผิดในเมื่อในสายตาเจ้าไม่มีนางเป็นลูกสาวแล้วนางจะนับเจ้าเป็นพ่อได้อย่างไร เจียนเย่ยพวกเราคุยกับพวกเขาไม่รู้เรื่องหรอกไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วหลี่เคอเคอพูดขึ้นเพื่อให้ทางลงแก่โจเจียนเย่ยนี่มันเข้าตำราพูดไปก็เปลืองน้ำลายจริงๆหลิหว่านประเดี๋ยวถ้าเจ้าสอบได้ศูนย์คะแนนก็อย่ามาร้องให้ขี้มูกโป่งละ่ะ